อาจพาพ้นมือแห่งกรรมไม่ดีที่ตามอยู่ได้การทำบุญกุศลแม้จะไม่ปรารถนาให้เกิดผลแก่ตนเองโดยตรงผลก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วดังนั้น